เป็นผู้ส ง, งัดอย่างยิ่งแล้วส่งแสดงตัวอย่างในการบำเพ็ญตบะเช่นทดลองเปลือยกายนั่งกระยงนอนบนน้มเป็นต้นในการเป็นผู้ปอนเช่นปล่อยให้ทุลีละอองหมักหมมจับกายอยู่จนเป็นสะเก็ดเหมือนสะเก็ดไม้โดยไม่คิดจะลูบทิ้งในการรังเกียจเช่น